พวกหน่อยๆพระว่นหน้าดีเจ้อากาศคุนี่เย็นสบายร่องขั้นเกียกเลยเล่าก้อมมันได้มันเท้ากำนดใจญกกำนวดมันยืนหนึ่งหนึ่งกันมันอยู่ดีอัากาศนั่นสินะมูพวกแบว่าร้ายอันมูร้ายล่ะมันมีค้อมเบ้าอันเท้ามันนั่งยืน นางซ่อมมือบิดคนมาหลายๆอยู่แฉล่แฉลอยู่เพจังนกมากินมาให้ผู้นั้นก็บอกว่านั่นผู้นี้ก็เว่าจ๊กมันมีอยังแนี้ยมีคั้วเบาหลายคนมันมีภาษานี่เห็มันน่อยรู้งาคั้มที่บอกมันก็บอกไปนี่มันนี่หน่อยมันเห็นกันอยู่แจักที่บอกยังเหมือนขั้วเบาเลสุราในการเบาในการคิด เนี่ยการคึดนสีออกมาวานะ้ามันมันมืดมดธุราขนนัน้นหรือเปาบานนี้กำหนดใจได้ซ้อมใจให้ใจนิดๆอยู่นิ่งๆนี่แหละแต่ต้องฝึกได้ฝึกให้หัดให้อยู่มิดๆฝึกเพราะว่ามินใส่ไม่แต่อยากวา้าวีีมูหลไม่แต่อยากว่าวขึ้นหายได้พวงมาวา้าวนั่นแหละบาาวาพระ่าเน่นบวาอุบาสกบวญิกา คือฮัตไปข่วมมาเบอกขอบว่ามืดเสร็แล้วมือนี้ที่จะได้เบอกกันหลายสูหลายเนี่ยมันจะเล่มันเลยลึืน่นเนี่ยมันเคยชินมันถนัดกับมิเตนแน่วบอลบัลนี้เอาหัดตไปฮัตหัดน ค, าาา ค, ค, ค, คือคือแย่าปากแย่าคืดไปคือเคยทั่วไปแย่คืดก็คืดไปท้ายหลายจริงจอันนี้ล่ะมันดิได้แนวดีๆแนวนึงอยู่เลยในข่ว ม, ว, ม ว, มวมหนุ่มข่วมุ่มข่วมเย็นจัด มาวัดที่มันมาคึกเอาอันนี้แหละมาคุดเอาความอบควา ม, ม, มเยน็นจะทำยังไงจิตจะสงบงนี่แหละเนี่ยญาติมีแล้วญาติมูบหลายคนบหลายสมาจิบบลายนี่เบียกกบบร์กระบลายสุละบหลายมีโอกาสเป็นอิสระของเจ้าของวิปใัยมาบอกนันบ่นีสบายอันนันมีหลายแหละมันเป็นอย่างไรบุ๋มันบไายบ่ค่อยเป็นสิ่นเป็นอัน บม่ค to ่อยได้ผลดอกเ้าสังเกตดูเป็นอย่างขันเท้าไปนั่งยูจิตไกลมู่ได้ดีเลจิตใจสงบนี่ขันนั่งยืดใกลเล็กน้อยเหมาอน่อสุดกันนั่นแหละเล็กน้อยพวกนั้นลุกลุกไปเสียงสวดสวดประ้ากไปถดงิ่อีกแล้อีเนี่ยขันมูหน่อยดีแล้วก็อากาศเมื่อนีนก็ดีนยบร่วอนบริสาทธิ์อากาศดียุบป่าวเล็ตเอาไม่ทีล ค้นข้ากันซ้อมเบิงกับคือกันกับนกนี่หละนกมากินหมักให้หมักให้มันสุกสด ง, ง่ายซุกหลายนกมากือแนวนกนกขอดนกยิบนกกรโดกหลายแนวนกต่อกันกับโอ้ตั้นั่นอยห้องตัวนี้ห้องแทลแทอยู่น่ะ นกมากินมาให้เท่ากับือกันจันทร์หน้าเบงกอโอกาสอะไที่มันจิตเป็นบุญเป็นทุศนโอกาสใดยามใดเท่าข้สิเหตเอาได้เหตเอาพิมถึงบน่เป็นแนวเหตเอาได้ดอกผมมีไผมาคัดมาขวางดอกแต่ไผย่ำเหตเอา้าผมมีไผมาไหวยัง ขันง่ายๆเรียใๆต่อไปมันเสีเฮ็ดบ่ได้มีอยู่ห้ามูมาหลายเวียดกับหลายก้มวกับหลายันบ่เว้าก็มูมูพันมันพวเป็นจะเอานี่ล่ะมูขันว่าตั้งกันเถอะวนส่งมาเว้าส่งมีเวียดเว้าอยู่นํากันกักระทบกระเทือนกันแน่อยู่ต่อไปดนไปโดนไปห้ากไทยค่วยแน่อันเนี้ยเสีเฮ็เียเฮ็ดบขันง ขออย่ันอยู่จักก็เจ็บกับป่วยโดนไปอีกมูกขนะดตะถนนห้างไปเขาเ ม, ม่มูขนะนี่กิดป็นกายเป็นมูขนาดมักมวนมกักยินไปแค่ต่อไปมันเป็นสันไปมักมวนก็เลยก็สงบลาเนี่ยโนไปก็นั่นบานเมืองเขาว่าโอ้มาหานัง่งต่อนั่งเพราะว่าหน้าก็าให้นั่งไปหาผุ่นเข็ดเบียกเข็ดงานนไปแซ่ลแซ่ลอย น, น, อง น, น, นยึงเขาหุ่นยังได้เลยแต่เลยทีจําเป็นต้องก็ได้สงบแน่ ที่ในมันเหตุการ์มันบังคับหลายแนีอยู่ข้าไข่ข้าพวพลอยมากอบบเป็นของแน่ๆอยู่แล้วเ้าเจ็๊ยบข้าวพลอยจนไปเจีบพลยมากลหลายๆเขาสีย า, างกะยางว่ใดดอกยางจงกรมนี่ยแตสีผ้ายางไปสวมไปทานชื้มันกับผ้าไปไมอะเปล่าหมูปวกกับไก่สัดท่นกับีอยู่พ้าวสีใดจะอ่อนเลืดน้ำันอยู่น่ ในคณะทีมูพวกน้อยนี่แะูบาอาจารย์ลุงปู่เพื่นใครบอกเดว่ามูน้อยนี่ละดีาแต่คนพระเน้นอยู่นํากันหลายๆนี่มันก็มีแนวสมเพชรบกวนกันเบียดกับร้ายเหตเียดเพืเฟ้องเพื่อมูเพื่อพวกเพอมูคณะคนเบากับร้ายพ่อมูบปอยู่ไ้ผู้นก้ออกไปเที่ยวตุดงผูหนี่ออกไปเที่ยวตุรดงพันว่าเออมูไปละยุนีละ มิดปัญญาวันยิ น, นมาเฟงแต่ฮาลีแต่ฮ า, าลบทำควมสาดคว่เพี้ยนเดินจยงโกลมนั่งสมาธิได้มัดมือมัดเว่นมัดขึ้นได้ทำควมเพี้ยนเส็นด้วยฮารังเสือภูไปเที่ยววิเศษนี่ะยิดใจแห่งกังวนว่ามือนีสิไปไซสิสไปนอนพักไสสิบินธบาตไสีสิแห่งเด็กขึ้นภูเจังสันบรได้คว่มสงบทำภูอยนีทำดอก เพราะ ว, ว่าู่ยินหนีบอะไรสังวียนยังว่าเด็กิึ้นสิญางไปไสิไปนอนพักไส่ดินนาบาทไส่ว่าเด็กขึ้ะบ้างใจได้เลยเขาจูข่วงไปวบโอ้ยสมายได้ได้หลายที่หลังในเท่าแล้วตะของเท่าคู่เด็ก็ะิเท่าไปใส่ไปมัน่น ต้องเรีนไปหอดอันนี้นหอดวางน า, า้าคือยังเข้าแรีนไปนี่นะแต่หอดวางน า, า้าต้องไปต้นลูกหันทุกคนสุกคนเนี่ยเพาะว่วาเน่ะมันตายเลยคุณบอกไปไปไปไปท่นผู้ได้เขียมฮัดเต้นฮัดตนด้วยเลยพี่ยังผูหัดภาวนาเ น, นี่ยแหละท่นไปหอดวงังทัานต้องตกนาผาเราเนีาา่ยตกลงไปแบบเตินไปเลยบนี้ เินไปคุบตกใสกองแยี่ยคือเขาบี่ยเจ็บบกหัวดนี่ยนี่ิล่ะู้รัดภาวนาไรหจิตหัดใจให้มันเบาให้มันเซิรนไปได้คือยังนุก่งนี้นะอัน้พูว่าในฮัดแนว่ยอย่างสี่ไบก็เป็นว่าอาดยโตกนาคาเิดเอไปุณกองแยยอนแล้วนุกไปหอดตนไปจากนาคามันเซิรนไปเลยเออุดห่วงไปฟังหุดสบายันคัญแรก